ฟัทํากันเนาะมีแต่เรื่องดีๆนะธรรมะนี่บอกผิดปอกถูกต่อเรายิ่งเวลาเราปฏิบัติยิ่งได้สัมผัสกับความผิดความถูกความผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆความถูกก็เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆสัมผัสได้ด้วยการอราศัยกายวิสัย เอาไว้เจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้รมอมทั้งพระธารมคาสอนนั้นเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจจุบานพวกเราได้เกิดมาได้รู้ได้ยินได้ฟังคำสอนนี้แล้วก็เราก็มีชีวิตอยู่มีกายมีใจ ที่จะได้สัมผัติกับพระธรรมความสอนนั้นเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์ปล่อยทิ้งไปได้อย่างไงและเราก็ได้อยู่มรดกของพุทธิยาออยู่วัดป่าลาบในห้องห้องจีวรในฉนอาหารเป็นธรรมบานและยารักษาโลก มีผู้ช่วยหรือมีผู้ให้เรา老人家ไม่ทำในใจนำธรรมมาโูที่ใจชีวิตของเราไม่มีอยู่ธรมะที่เป็นความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปิจจุบาน ทุกคนสมผัติตายเป็นปัจจัตตังของใครของมันทุกคนทุกคนเวลาเราปฏิบัติแล้วก็มีการมีใจเอาการไปต่ออ่อกับควาถูกเอาใจไปต่ออ่อกับควาถูกเราเห็นได้สัมผัต เกิผ ด, ดผิดเล่าผิดเล่าความถูกก็ทําอีกตรงไหนที่มันผิดให้เคยิดความถูกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้หลงไม่ถลงก็ได้ในคราวเดียวกันอทุกไม่ทุกก็ได้ในคราวเดียวกันมันเป็นละลายมาเกิดแล้วขึ้นมากับกายกับใจสัมผัสได้แล้วก็เปลี่ยนได้ ลูไ่ไลจนเห็นความเท็ความจริงแล้วมันก็เป็นรู่เป็นนามเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกของนางเป็นเรื่องเกา่าไม่ใช่เรื่องหมง่เรื่องเก่าเกิดเล่ากระ ด, ดีกเราเคยปล่อยทิ้งไว้เรื่องไม่ดีปล่อยให้เกิดกับคกายกับใจเรา ส่ว น, นี้เราก็ได้ยินได้ฟังคำสอนว่ามันปฏิบัติได้มันเปลี่ยนได้เราจะต้องไม่เปลี่ยนดื้อด้านกันทำไมหัวถึงทุกข์หัวถึงหลงและสิ่งที่ไม่ดีขี่อสองขัยทุกข์แล้วขี่อสองขัยหลงแล้ว เราจึงมาทำงานอันนี้มาเปลี่ยนลองดูมาเปลี่ยนลองดูมเีเท่าไหรเปลี่ยนให้รู้จากตัวความรู้จักตัวนี่เป็นธรรมเมื่อมีอยู่ในกายกายก็ได้รับความเป็นธรรมเมื่อเกิดกับใจใจก็ได้รับความเป็นธรรมไดเห็นความเทศความจริงได้ช่วยเหลือตัวเอง ถึงป่านนี้ก็ยังปล่อยตัวงทิงและมันก็เวลาเราศึกษาแล้วนี่เรามาสัมผัสเครื่อง น, นี้มันก็อาจจะมีความเคยชินทางกายรับใช้สิ่งที่ผิดพิดมาอาจจะมีความเคยชินทางจิตใจรับใช้สิที่ผิดมาต้องทวนกระเสือสักหน่อย แต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่ดีเป็นเหตุที่ดีทําให้เราได้เปลี่ยนร้าเป็นดีได้มีให้เราเปลี่ยนจริงๆควรมไม่ถูกต้องให้มันเป็นความถูกต้องมีอยู่จริงๆเกิดกับคกายกับใจเราหนีเราเห็นความเท็ความจริงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนคำผิดแทนเป็นถูก ทุกขังทุกข้าวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันงานเป็นการแล้วเปลี่ยนวันแรกมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองว่าเป็นเช่นไรในความหลงไม่หลงอีกแล้วในความทุกข์ไม่ทุกข์อีกแล้วในความโกรธไม่โกรธอีกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเชิงไม่ดีมันหลุดออกปมันมีสิิงดีเข้าไปแทนรลางกายได้รับความถูกต้อง ใ, ใจได้รับความถูกต้องมก็เปิดทำทำก็เปิดอะไรขึ้นมาได้หลักได้ฐานได้เห็นเห็นความแท้ความจริงเห็นความแจ้งทำไมแจ้งได้เปิดตัวเหมือนกับมันปิดอยู่ที่เปิดออกมาแล้ว ขั้วอยู่ในกายขึ้นมาแล้วเราเห็นตัวเองการเห็นกันรู้ตัวเองนี่เป็นความชอบไ ม, ชชอไม่ใช่การใช่ใจถูกต้องไม่ใช่การใช่ถูกต้องคืเป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจไม่เป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นสิ่งอยู่วัตถุอื่นไป หลายหลายอย่างเราจึงต้องใส่ใจเรื่องนี้ดูสักหน่อ ย, ยเราเห็นเปนมันเป็นรูปเป็นนม้มสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปสิงที่เกิดขึ้นกับน้ำมีปฏิดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกดูกายเคลื่อนไหวมันดูมันก็เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้น ก็คุมทั้งสองฝ่ายทั้งกายทั้งใจทั้งลูกทั้งนามบูอันเดียวก็ครอบพวงไปหมดลหลายๆอย่างเราเห็นเป็นลูกเป็นนามเราเห็นเหตการที่เกิดขึ้นกับลูกกับนามมากมายหลายอย่างการที่เกิดขึ้นกับลูกเกีย่ยวข้องหนังสไล อาการเกิกับน้ำเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรแล้วก็แล้วโดยเฉพาะเกิดกับน้ำเกี่ยวข้องกับมัน่อนแล้วมันแลไปสนลูก ป, ปออย่างม่ไม่แล้วก็รู้จักสงที่มันมาแล้วทำอย่างไรเกี่ยวกับลูกต้องกินข้าวทุกวันมันไม่แล้ว ต้องนอนต้องกับต้องทายต้องลูกเยอะเคลื่อนไหวเป็นกิริยาดาการที่เกี่ยวข้องกับลูกอย่างถูกต้องา ก, าการต้นกายหาใลูกมีระเบียบาการใช้ลูกให้มีระเบียบเมื่อหาให้มีระเบียบมันก็มีระเบียบเจะไหนาเพียงหลไรชวน นามคือจิตใจที่มันเป็นใหญ่ในรูปนี่เม่อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ดีเกิดกับนามมันก็แล้วเช่นความหลงเกิดกับนามมันแล้วไปแล้วความโกรธเกิดกับนามมันก็แล้วไปแล้วความทุกข์ที่เกิดกับนามมันแล้วไปแล้วเมื่อหมันเกิดสิ่งที่ไม่ ดีมันเป็นความดีเทียนที่แล้ ว, แ ล, วแล้วเป็นครั้งเดียวจบทีเดียวเมื่อเหมือนจบเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางมะทรรเป็นนาการที่เกิดกับนางมาทรรไม่ใช่หลายเรื่องที่ไปแก้ไขามีเต่สติรู้จักตัวรู้แล้วรู้แล้วเพราว่าที่รู้เป็นตัวเฉลย ที่เกิดขึ้นกับนา ม, มนก็จบเหอทุกรู้แล้วเตุที่เกิดทุกทำได้แล้วทำให้แจ้งได้แล้วแต่วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องได้แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับนามจนลูกเมื่อ น, นามมนถูกต้องมันก็ถูกต้องไปด้วย เป็นทําต่อกันควมเป็นธรรมเกิดขึ้นกับรูปกับ น, นามอาศัยลูปอาศัยนามนามอาศัยรูปรูปอาศัยนามมีรูกให้ทำความดีมีนามใช้รูปไห้ทาความดีความดีที่เกิดกับรูปกับนามความดีที่เกิดกับนามทาได้ทุกโอกาส ความดีเกิดกับลูกต้องมีวัตถุเหตุปัจจัยหน้าฝนปลูกต้นไม้แต่หน้าแรกปลูกไม่ได้ไม่มีมือมีกายใด้แรงงานแรงกายปลูกต้นไม้หน้าฝลทำนาทำไรหาอยู่หาจีนก็ทำได้เป็นฤดูเป็นโอกาสบางครัง้งบางคราว แต่ความดีเกิดจากนามทำได้ถูกกาดสะดวกใ่การทำความดีนอนอยู่ก็ทำความดีได้นอนอยู่ก็ปฏิบัติให้เกิดความดีต่อนามได้เมื่อเกิดความดีต่อนามนอนเมื่อก็หลับไม่ฝันมันก็เป็นความสุขเป็นความสงบเลยใช้รูปเช่นนาม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยลูกนามลูกทำนามทำมันทำดีามาทำดีเอาลูกมาทำดีเอานามาทำ ด, ทำดีถ้ามันทำชั่วก็เปลี่ยนให้มันทำดีมีเทอไหลเปลี่ยนได้ลูกทำนามทำก็เกิดการกระทําที่เป็นความดี เพื่มดีที่เกิดจากรูปจากนามเป็นรูปทำนามทำที่ทำดีแล้วก็เป็นผลเป็นกุศลเป็นบุญเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานมีรูปมีนามมันเกิดนิพพานถ้าเราใช่ถูกถ้าใช่ไม่ถูกก็เกนะิดโลกกันเปรตสุลกายไม่เหมือนกันโอ้ข้าวก็ได้ข้าวต้นไม้ก็ได้ต้นไม้ ทำดีแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเหมือนเป็นรูปนามมาทําดีที่เป็นสติรู้เึกตัวก็กายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลคือคคาากาจัดความชั่วสมาธิกําจัดความชั่วปัญญากำจัดความชั่วความชั่วยังไม่มีใน ในวาจาในใจมันเป็นมรรเป็นผลเป็นสวรรค์นิพพานมันเคยชินซะว่าสวรรค์นิพพานที่จรยงวันนิพพานบุญกุศลนี่ก็ไม่ใช่มันเรียกต่อกันไม่ได้เน่บุญกุศลสวรรค์นิพพานมันเป็นความเคยชินของภาษาที่จริงมันไม่ถูกบุญก็อนนึงต่งางกุศลมันหนึ่งต่งาง กุศลมันเกิดจากความฉลาดบุญมันเพียงดีใจดีใจยังเป็นทุกข์ได้ยังมีเสียใจใจมันต้องดีมันจึงไม่เป็นทุกข์ถ้าใจมันดีเนี่ยรู้ ว, ว่ากุศลหรือ ว, ว่านิพพานแต่บุญนี่มันไม่ไไใช่กุศลมันไม่ใช่นิพพานแต่คนก็ติดทีว่าบุญเนี่ย สุขแต่จริงสุขมันก็ไม่ใช่ถ้ายังมีสุขก็ต้องมีทุกข์คู่กันอยู่ทิ้งเหมือนทั้งสุขทั้งทุกข์มันไม่มีอะไรนั่นเราวอกกุศลมันมันก็เป็นนิพพานมันไม่มีอะไรจตที่เกิดจากลูกของนามมันต่อยอดและยอดใหม่มันก็ทำดี แล้วความชั่วเมื่อนดีแล้วความชั่วทั้งรูปทั้งนามมันก็บรรลุสุดเป็นมาเป็นผลขึ้นมาเหมือนการเกิดเจะเจ็บตา ย, ยาลูกทำนาทำไรหางินาทองได้ข้าวได้องมากินมันยังยงเจ็บยงบังตายเงินงได้มากมากแต่ว่านไม่มีชีวิต อยู่ใช้เงินใช้ทองเป็นของคนอื่นบางทีก็เงินไปทำไ้ตรงเดือดร้อนค น, อนเดือดร้อนเพราะมรรคผลนิพพานมันไม่ไม่มีใครมาแย่งได้เป็นอริจทรับภายของกายของใจยิจ่งเป็นชีวิตของเราที่ต้องก้าวไปถึงเดือนนี้ แล้วเราก็สะดวกทํางานอะไนี้ยิ่งพวกเราเป็นนักบวชมาจยูวัดวาอารามออกจากบ้านจากเรือนมาไม่เจียวคนไปบ้านเรือนมามาอยู่ในวัดวาอามได้มีโอกาสปฏิบัติเป็นเพืเเ่อนแบบนมิตรกันมีจิตวัดวิธีวัด การเช่าชดมวลไหว้พระสัตย์ยักพิสูจสนเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำที่ทำให้เกิดเป็นพระเจ้าทำที่ทําให้เป็นพระสงฆ์พระธรรมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระธรรมอยู่ในพระสงฆ์อันเดียวกันแต่ผู้ที่รู้ก่อนเลืองพระพุทธเจ้ารู้ที่หลังเลื่องพระสงฆ์ ลู้ตามแต่ลู่เดียวกันาำที่มีอยู่กับผู้เจ้าุทธเจ้ามาสอนคนอื่นคนเดือดรู้ตามเรือสมมาสมพุทธเจ้าเป็นจริทธฝึกบุรุษยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดมาสอนเราได้ เลามันหลงไม่หลงทำตามพระเจ้าเลามันท um. <umb> ุกข so ์ไม่ทุกข์ม่สติทำตามพระเจ้าดูอย่าทิ้งพระเจ้าความทุกข์มีความไม่ทุกข์อยู่พระเจ้าไปทางนี้ในความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่พระเจ้าไปทางนี้ในความหลงก็มีความไม่หลงอยู่พระเจ้าไปแบบนี้ที่บ่าปฏิบัติเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีทั้งกายทั้งใจ วันหนึ่งวันหนึ่งให้เราทำเรื่องนี้มีสติเห็นกายเคลื่อนไหวมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นคิดนิดก็ไดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกายกับจเห็นรูกทำนทำ้ําทําเห็นลูกทุกน้ําทุกเห็นลูกโลกนามโลกลูกทำมันทําดีมันทําชั่วน้ําทํามันทําดีมันทําชั่ ว, ดวได้เห็นไม่มีตรงไหนปิดบางอภางได้ ถ้ามีสติได้เห็นลูกทุกน้มทุกทุกผมให้เกิดเป็นพุทธะดีแล้วจะได้พ้นความทุกข์ก็ตือรือล้นลูกโลกดาวโล ก, โลกมันอยู่กับโลกน้มเกิดโลกลูกเกิดโลกโลกของลกูกมันเกิดเท่า เพื่อเจริญใจาาโลกของลูกลูกของนามคือความโกดความโลกความหลงควา ม, วามใจเฉยใจความถูกความทุกข์ทเกิดกับนามมิสติสติคอรักษาไมนหายไม่มีลูกทุกลูกโลกนามโลกเห็นลูกเห็นเห็นลูกที่เกิดกับลูก โลกเกิดกับลูกเกี่ยวข้องอย่างไรต้องหิวข้าวทุกวันต้องกินข้าวต้องกับต้องถ่ายต้องอาบน้ำแปรงฟันมันเปนเคือมันเป็นก้อนโลูกมันหนึ่งของลูกหิวก็ต้องกินข้าวพอหิวก็หมดปัยแต่มันไม่ยอมแก้มันบันเทา เืนเดินนั่งนอนก็เป็นการวันเทาก็่ยือนอยู่นานๆก็ไม่ได้เป็นทุกข์นอนนานๆก็ไม่ได้มัเป็นทุกข์นั่งนานก็ไม่ได้ไมันเป็นทุกข์ยืน น, น, น, น, น, น, อนอนไม่มาได้ไมันเป็นทุกข์ทุกข์ก็ต้องนอนก็ต้องลุกขึ้นมานั่งก็ต้องเปลี่ยนที่พักเป็นการบรรเทามันไม่ใช่แก้ ตัองครับต้องตายนี่ลูกทุกของลูกลกของลูกดโลูกของน้ำรักษาได้เด็ขาดไม่เกิดขึ้นมาอีกความโกลคของโลกของหลงกิเดสตัณหาละคะเวลามันเจ็บมันแฉมันตายก็ลูกเห็นว่าเป็นลูกทุกน้าทุกลูกโลกน้าโลกเป็นเรื่องของของลูก ความเจ็ไม่ใช่น้ำความเจ็บไม่ใช่น้ำความตายไม่ใช่น้ำมันเป็นความไม่เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้มันเห็นมีปญัญญามันมีปญัญญาเป็นพุท ธ, ธะมันเป็นผลมันก็ไม่อยู่ความเจความเจ็บความตายเห็นมันเจ็ไม่ใช่เป็นผู้เจ็ เห็นมันเก็บไม่ได้เป็นผู้เก็บเห็นมันตายไม่ได้เป็นผู้ตายไม่เก็บผู้ขวามเก็บไม่เก็บผขวามแก่ ب, ไม่ามตายคขวามตายนี่เมื่อมีสติมีเชดส ต, ติแล้วแหล่อยู่มีเฉดสติแล้วแหล่อยู่สุกขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมีเดชสตินี่จุดหมายปลายทาง ของรูปของนามเพียงจะมีประโยชน์ที่มีรูปในนามนี่ถ้าไม่ศึกษามันก็เวทนาเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ถูกความทุกข์จังเอาแล้วถูกความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความเสียเป็นทุกข์ความเสียเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่เราไม่ศึกษาทารุษกาก็ไม่มีเรื่องนี้ เราก็มีสติที่ต้องศึกษาเรื่องนี้ไม่มีใครห้ามได้มีสติไม่ทุกมีสติไม่โกรธมีสติไม่หลงเราเมืนโกรธเรามีสติไม่โกรธเรต้องข อ, อยอดใครเรามันทุกเราก็มีสติไม่ทุกเราเมืนหลงเรามีสติไม่หลงมันทําได้มีสติอยู่นี่ ลู่แขนเข้าเหยียดแขนออกอยู่นี่ลู่จากตัวอยู่นี่กลับมาลู่จากตัวนี่แต่ความลู่จากตัวนี่เป็นพุทธะคำจัดความทุกข์เป็นเครื่องกคำจัดของทุกข์พุทธะพุทโธทุกขัสสะคาตาจาวิคาตาจ่าหิทัตสเมอพุระเจ้าเป็นเครื่องกคำจัดทุกข์คือตัวลู่ตัวลู่นี่เป็นพุทธะภาวะที่ลู่ลู่เตือนเบิกบานเนี่ยคำจัดความทุกข์ ไอาธรเป็นเครื่องงําจัดทุกปะสงเป็นเครื่องกําจัดคู้คืนนัานธรรมคนนั้นธรรมคือภาวะที่รู้นี่ปฏิบัติตามปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันรู้รู้รู้เป็นสถาบันภาวะที่รู้เป็นสถาบันในการในใจเป็นใหญ่รู้เห็นไม่เป็นรู้เห็นไม่เป็นเป็นสถาบันของกายของใจเป็นใหญ่ ไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นใหญ่เพราะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับกายกับใจนี่คือความเป็นใหญ่เหนือโลกไม่มีโลกพระเจ้าได้ประกาศดังนี้อโยขยะปรมาลาภะความไม่มีโลกเป็นราภันประเสริฐที่มันประเสริฐอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสแล้วมีกายมีใจมีเวลา ยังพวกเราอยู่ที่นี่หรือเพื่อนเป็นมิตรกันก็อุ่นใจไม่ใช่อยู่ผู้เดียวอาจจะขวนหายอยู่ใน่าละโดงตอนนี้เรามีเพื่อนมีมิตรมีนักบวชเป็นผู้หญิงมีนักบวชเป็นพระเป็นผู้ชายแล้วก็พึ่งพาสกันได้ตามวิสัยของพวกเราที่อยู่นี่ เราจะเอาอย่างไรชีวิตของเรานี่อะไรที่เป็นของที่จะให้มันถูกต้องกับการกับจ่ายบางทีเราอาจจะใช้การใช้ใจมาผิดพลาดเปรึกเพื่อนเลอะเทอะมาอันละเป็งานที่เราจะต้องประสบการณ์บทเรียนยิ่งมีประโยชน์มากเราสู้กับเรื่องเราจะสู้กับเรื่องนี้ จะมีประสบการณ์จะว่าเป็นครูของคนต่อยเขียนได้แจ้ไขหลังต่างมากมายที่มันเกิดกับกายกับใจเพราะใชจกายใจใจผิดมาทกิเลสเขาพันห้าตัณหาก็ร้อยแปดแต่เราไม่ใช่โดดไลยเหมือนไล่เหมือนกับองค์ขริมานองค์ขริมานค่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนน้องไม่ได้ฆ่าใคร ก็ไม่น่าจะสะดุ้งอะไรมากมายอาชีพก็เกิดจีเดต้องหาราคาเกิดโกรธลหลงแค่นี้ไม่น่ากันอะไรมากมายพอยเจ้าโปรดลงที่มาเพียงแต่ว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุด ไม่ยุดอะไรมันวิ่งอยู่หยุดเรามาหยุดไม่ทําบาปทํากรรมอีกแล้วเธอยังจับมีดเราดาบเลยฟ้าไล่ขาเราอยู่เธอยังไม่หยุดเออนี่ก็หักดิบเลยสะดุง้งนี่เราไมา่เห็นสิ่งที่มันเกิดกับเราเนี่ยมีสติอยู่เนี่ยเหมือนพระเจ้าหม้อปวดทุกครั้งที่มันเกิดอะไรขึ้นฝากกับใจ รูขึ้นมาเปลี่ยนไล่ไปดีนี่ว่าเหมือนพระเจ้ามาปวดเราเราก็ไม่ฆ่าใครเหมือนเคยจากความคิดมีสติเห็นคิดคิดขึ้นมาในเปียนมันในลููมันนี่เหมือนพระเจ้ามาปวดเราอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วไม่ใช่เปลี่ยวเดียวดา เกิดเราขึ้นกับควาเกำหนัแล้วก็มีพุท ธ, ธะช่วยเราอยู่คือลู้สึกตัวตื่นลู่ตื่ น, นเบิกบานขึ้นมาทันทีลู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาทันทีมีไล่เป็นดีขึ้นมาทันทีทันใจเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติให้ผลได้ไม่จํากัดการของผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติ ลู่หลงหนึ่งครั้งลู่หนึ่งครั้งลหลงร้อยครั้งลู่ร้อยครั้งทุกร้อยครั้งลู่ร้อยครั้งสมควรแก่ผู้ปฏิบัติก็ทำอย่างนี้หลงร้อยครั้งลู่สามสิบครั้งคิดไปร้อยครั้งลู่ไม่ทันมันจะเป็นกรุงเป็นแตงเป็นทุกเป็นทุกข์ไปกับความคิดอันนั้นก็จะไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติ จะตืต่นจริงๆมันจะเห็นดูกายเห็นคิดดูคิดถึงนธรรมกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนี้มันเป็นการมารรลุธรรมนะดูให้ดีแล้วพอเถียนเชื่อกขาตรงนี้ความคิดที่ไม่ตั้งใจมันหมาแรงนะถ้าดูดีๆถ้ามีสติถ้าเราไม่มีสติมันก็เฉยได้ในความคิดที่ไม่ตั้งใจ ประมาตรงนี้ต้องเพื่อเถียนท่านมีสติเดินยักรมเดินยังกร ม, ก ร, มรู้จักตัวเก้าวฟ้าลู้ไปลู้ไปมันคิดขึ้นมาเนี่ยกำลังมีสติอยู่ดีๆมันคิดกันมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเหมือนกับคนมาพักให้ให้ด่วนไปข้างหน้าอ้าวมันอะไรเกิดขึ้นดูมันอีกกันดน้า เดินไปรู้สักตัวเดินไปรู้สึกตัวเดินไปรู้จั ก, จกคิดมาหน่อยโอ้มัเกิดจากความคิดนะโอ้มันอยู่นี่แล้วเนี่ยความคิดเนี่ยดูกายเห็นคิดตดูคิดมีสติ ด, ดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเอามาเดี๋วแป๊บเดียวพอเห็นเงื่อนไขของ ม, นนมันอยู่ตรงนี้เลยเี๋ยวคิดที่ไม่ตั้งใจนี่หรือคูวามหลงตัวผู้มันเลยเนี เคยมาใช่จิตให้คิดอะไรก็ได้นี้มีกายนิสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใ่มันคิดเสื้อขาดตรงนี้จบไปเลยมีเท่านี้เนอะชีวิตเดนสามมาฆะปฏิฆะมะนทิติไม่มีเลยพุทเจ้าตัดผมครั้งเดียวงอกขึ้นมาอีกไม่ได้เลย เดือดขดลยนี่เราดูมีสติเห็นกายเคลื่อนไหวไม่เห็นใจไม่เห็นความคิดความคิดหิว้วใจไปไหนก็ไม่รู้น้องอยู่นี่จะ่มาคิดไปไหนสติมันไม่มากพอเหมือนน้ำหลอกไหลหลา ก, ลากน้ําำ น, น้อยก็ย่อมไม่พัดไเลไปได้มหาสติมันมากพัดไหลไปได้ จังมีกรรมฐานตั้งไว้ก่อนรู้จิกตัวดูคายเคลื่อนไหวผู้เฉลี่ยเฉนโดรู้จิกตัวอยู่นี่เรามีหลักอยู่นี้เปก็กลุ่มอะไรจะเปรียบเทียบกับใคเราก็นึ่งละ่ะมีกายมีใจมีความหลงหรั้งกันสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาม่หลงสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไมทุกข์ มีในโลกนี้อยู่ตรงที่เดียวกันเนี่ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรูเปลี่ยนทุกเป็นลูกเปลี่ยนอะไรมาเป็นลูกได้ทั้งหมดถึงที่มันเกิดเกี่วกับกายกับใจเรานี่นี่ก็พกูดชวนฟังให้กําลังใจว่ามันทําได้มันทําได้เอาคอเป็นประกันครับสองพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากระกาน ีทำแท่ๆอยู่เนี่ยต่อยอดมันมาอะไรเปลี่ยนมันดีมันดีได้นี่หลงตาจะไปฉันเช่าที่วัดปู่วัดป่าชุกตัวก็มีแขกมาหาที่นั่นบาที่ถ้าไม่นม้อะไรนี่ก็อยากจะบอกจะสอนอย่างนี้ลหละแต่ที่นั่งก็มีครูอาจารย์เยอะ กรณีเพื่อนมิ้มีจอยู่ที่นั่นคิดถึงเพื่อนถึงมิตรคิดถึงธรรมจะแกบอกความผิดความถูกที่เกิดเกิดฝ่ายกับใจเราไม่ที่สุกโตก็ที่ผู้ขอทองอาจจะไม่ถ้าจะเป็นต้องพักผ่อนก็ศรัทาไปสักคืนหนึ่งถ้าไม่น่าพักผ่อนก็กลับมาได้ ถ้าอะไรปกติอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรก็อยากดูอยากแแปลอยากช่วยเหลือถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็กลับมาหาวันอาศัยความเจริญเวลา